หลงก็ให้มีสติเข้าหลงให้รู้สึกตัวหลงให้รู้สึกตัวหลงให้รู้สึกตัวหลงเหอ่หลงเผลหลงเพลนหลงฟุ้งแต่งหลงพูดพูดฟุ้งซ่านพูดเรื่องไม่เป็นสาระเอก็ไปพูดคุยอยู่กันไปทั้งวันทั้งคืนมันเป็นสาระแก่นสารพูดแล้วไม่ได้รวยพูดแล้วไม่ได้เลื่อนเลื่อนเลือนตำแหน่งพูดแล้วไม่ได้ให้มันมีความสุขควาเจริญพนจากทุกข์ไม่ได้เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็เห็นว่าเอ้ยคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ก็เสียเวลาเปล่าไปทําทำไม ก็เลื่องเลืองไปทำอะไรดีกว่าหาเรื่องอะไรทำมันมันประโยชน์มากกว่าอย่างเงี้ยถ้าทํำบ่อยๆอย่างเงี้ยตัวไปตันบ่อยๆเงี้ยก็จะตันลงตันลงความหลงมันก็ตันลงต่อไปมันก็ไม่มีแล้วความโลภความขวความหลงก็เข้าหาใจหมดแล้วใจผู้รู้ต้องทันหมดแล้วมันรู้ต้องทันหมดแล้วเนี่ยมันก็เข้าหาใจผู้รู้เอ้าวมันยังไม่ผ่านเหรอเอ๊ะกิเลสไม่มีทําไมยังไม่รู้วนนี้ผ่านประเด็คนเขาไปแล้วกันเนี้ยคนก็หาใจผู้รู้แหละกิเลสไมนมีทําไมยังไม่รู้ผ่านกัตัวเองก็พูดจ่อยๆอยู่เน มันไม่มีกิเลแต่ตัวเองพูดอยู่นั่นเนี่ตัวคนเดียวพูดอยู่ในใจคนเดียวเลยเริ่มเห็นละฮะทาไมใจเราเนี่ยพูดไม่หยุดวะเนี่ยมันพูดเฉยเฉยเฉยเยเฉยเฉยเฉเราไม่ได้พูดสักหน่อยแต่ใจเราพูดไม่หยุดอ่ะเราไม่ได้พูดสักหน่อยแต่ใจเราพูดไม่หยุดเออใครมาเห็นตรงนี้อันเนี้ยมันใกล้แล้วมันใกล้สุดทางแล้วเพราะมันเข้ามาหาใจแล้วเออเราไม่ได้พูดแต่ทําไมใน ใจเราพูดไม่หย <were> ุดนะเนี life life ah mm ่ยมันเป็นมาอ่านี้วะเอ๊ะแสดงว่าใจไม่อจิตใจไม่ใช่เราเราไม่ใช่จิตใจเพราะเราไม่ได้พูดนี่เราไม่ได้ตั้งใจจะพูดแต่ทําไมจิตใจมันพูดไม่หยุดเอ๊ะอ๋อจิตใจไม่ใช่เราเนี่ยเหรอเนี่ยเพราะเราไม่ได้พูดนี่แต่คนพูดมันไม่ใช่เราแต่เราไม่ได้พูดเพราะเราไม่ได้ตั้งใจจะพูดแต่มันพูดไม่หยุดอ่อเฮ้ ไอจิตใจที่พูดไม่ใช่ตัวเรานี่หว่เนี่ยตัวเราไม่ได้พูดเลยเราไปพบตัวเราที่ไม่ได้พูดแต่เห็นจิตมันพูดอยู่ในความไม่พูดอ๋อพูดก็พูดไปไอคนพูดไม่ใช่ตัวเราอย่าพูดก็พูดไปเถอะเฮ้ยคนพูดไม่ใช่ตัวเราใช่เราก็ว่าฝ่าไม่ยังงั้นแนแล้วกบแล้วก็ว่าฝ่าไว้ความสุขของเราเปนเฉพาะตนไปไอตัวในคนพูดก็พูดไปเถอะอย่าพูดก็พูดไปไม่เกี่ยวกับเราเพราะเขพูดทั้งวันแต่ตัวเราไม่ได้พูดเออถ้าเป็นตัวเราไม่ได้พูดทั้งวัน แต่ตัวที่พูดไม่เจตตัวเราเลาเห็นตัวที่พูดทั้งวันไม่เจตตัวเรามันก็พูดทั้งวันแต่ตัวเราไม่ได้พูดทั้งวันแต่ตัวที่พูดมันก็พูดทั้งวันแต่มันไอตัวที่พูดก็ไม่เจตตัวเราแต่เราเนี่ยไม่ได้พูดเพราะว่าเราไม่พูดเลยแล้ไม่ได้ตั้งใจจะพูดจะมาจะพูดดีกว่าอยาพูดมันก็ไม่เจตตัวเราเพราเราไม่ได้พูดเ้ใจเราก็เลยสงบแล้วว่างเปล่าเราก็เลยเห็นไอคนที่พูดน่ยมันพูดอยู่ในความสงบถึงแม้มันพูดอยู่แต่ใจเรามันทำไมสงบเยือกเย็นมากสงบและเย่อกเย มันเยือกเย็นเป็นถึงกลนบึงหัวใจแต่คั้งที่มันก็พูดมันก็มีไอ้ตัวที่พูดใจใจใจใจใจใจคิดนันคิดนี่อยู่ในใจนะแต่ใจไม่รู้เป็นอะไรมันสงบลมเย็นมันสงบลมเย็นมากเลยมันบอกไม่ถูกถึงแม้มีคนพูดอยู่ตลอดเวลาแต่ใจมันสงบลมเย็นมันไม่เกี่ยวกันเลยมันเหมือนกับน้ําและน้ำมันมันไม่มันไม่ติดกันเหมือนกับน้ํามันมันลอยอยู่เหนือน้ํา น้ำเปรียบเหมือนใจน้ำมันมันอยากมีเท่าไหร่ก็มีไปเหอะแต่มันลอยอยู่เหนือน้ําหมดมีจะพูดใจใจ จ, จะก็พูดไปแต่น้ําที่ใสสะอาดก็คงเป็นน้ําที่ใสสะอาดอยู่แล้นแหละมันแยกเกิดกันเมื่อคนปฏิคนไม่ปฏิบัติอ่ะมันก็เอาตัวเราไปพูดทั้งวันจิตตติแตกพูดทั้งวันจะเข้าโรงพยาบาลเป็นแถวจะมีความทุกข์ความเครียดเป็นทุกข์เดือดร้อนทะเลาะบุญวายครอบครัวแตกแยกมีปัญหามากมายเพราะเอาตัวเราไปพูดทั้งวัน ไปคิดตั้งวันเราไปพูดตั้งวันไอผู้ปฏิบัติน่ยมันปฏิบัติตึงตัวตัวเราที่ไม่พูดไม่เกิดไม่ตายแล้วมันเห็นในตัวที่พูดที่เกิดที่ตายที่เกิดที่ดับก็ไม่ใช่ตัวเราตาตอนไหนที่มันดับหมดมันมีดับหมดแล้วดับหมดในสุดมันก็คือแคมคนพูดตู้นะมันจะมีขนาดจิตหนึ่งที่แต่ดับมันก็ยังมีความรู้อยู่กัมันก็ยังยังมีความเข้าใจอยู่ คือมันขนาดโลกธาตุเงียบไปหมดเลยไม่ไม่คิดจะไม่คิดจะดูไม่คิดจะรู้ไม่ทันจะไปดูอะไรไม่คิดว่ามันอะไรมันคืออะไรไม่คิดว่าในความพูดมีความว่างในความว่างมีสิ่งที่พูดมันไม่ทันจะไปคิดไม่ทันจะไปดูไม่อะไรอยู่อยู่โลกธาตุมันก็อมันสงบไปทั้งโลกธาตุเลยภายในใจก็เงียบสงบสงัดหมดเลยมันไม่ทันจะว่าอะไรเป็นอะไรเลยมันไม่ทันว่าใครพูดไปพูดไปว่า ในความว่ามีความคิดในความคิดมีความว่ามันไม่ทันจะนึกอะไรไม่จะไปดูอะไรอาโลกกระแทกมันเงียบไปหมดเลยทั้งโลกกาะแทั้งภายนอกและภายในแต่ถึงแม้โลกกระแทกเป็นมีอย่างนั้นมันก็มันก็มีมันก็ต้องมันก็ต้องรู้อยู่เพราะว่ามันสามารถมาบอกได้เนี่อรานทุกันก็มาบอกได้เหมือนตอนมันเกิดอะไรขึ้นมันก็แสดงว่าต้องมีผู้รู้มาไอผู้รู้เนี่ยมันเป็นธาตุรู้บันดับไม่ได้มันเป็นธาตุอมตะเมื่อแต่มันรู้ว่า ตอนนี้อะไรเนี่ยโอ้มันเกิดยิ่งใหญ่มากเลยเสอนามีกําลังเกิดภายในใจเกิดเซอรนามี่อะไรเนี่ยที่ท่านบอกว่าแผ่นฟ้ากับแผ่นดินมันมวนตลบกลับเข้าหาแผ่นดินมันพลิกกลับด้านโลกธาตุพลิกคว่ำนั่นเนี่ยไอเหตุพวกนี้มันเป็นทุกคนในขณะที่จิตมันตอนนั้นอะมันขาดจากความเอาสัญญามาจับมันพ่อมันไม่เอาสัญญาเอาเอาสังฐานมาจับอยู่ๆมันก็แต่ย่างว่าทำเหตุอย่างที่ผมบอกอะ ทำอะไรเรื่อยจนถึงก็ถึงใจแล้วเราเป็นเป็นเองแต่ยังไม่เป็นมันเป็นเราเวลามันเป็นก็เป็นมันเองโลกธาตุพลิกความกลับด้านทั้งโลกธาตุมันเป็นก็มันเองแต่ถ้าเรายังวุ่นวายในใจยังคิดยังวุ่นวายยังบ่นยังดิ้นรนยังค้นหาคำสัยังเง้ยมันยังไม่เป็นยังไม่ซีในใจยังไม่เป็นเออมันต้องได้ในใจต้องหยุดพูดหยุดบ่น ท, ที่พ่อพูดอกว่าแล้วมันมีหยุดไหมเนี่ยก็คือไอไอคนพูดไอคนพูดคนบนน่นแล้วมันหยุดมันหยุดพูดหยุดบ่นแล้วมันก็เป็นรวมเป็นหนึ่งเดียวกับใจที่วางาวเปล่าในจักราวาลโลกธาตุมันก็เลยติกว้ำเลยคือมันยังเห็นคนบ่นอยู่ในงูงี่งูงี่งูงี่งูงี่งูงี่งูงี่งูงี่ยูงี่งงี่งนงี่งูงี่งนงี่งู่งงี่ง ง, งงี่งูงี่งงี่งนงีนนน่งูงี่งูงี่งูงี่งงี่ง่งงีง่ คล้ายๆบทให้เราฟังเลยเรานั่งอยู่เนี่ยเหมือนเหมือนกันในใจบทให้เราฟังหนึ่งสองสามสาเหตุหลักจริงๆที่ที่มันเกิดสภาวะนี้ข <laughs> <c oughs> ึ้นมาเพราะเราไปเห็นที่มันบนใช่ใช่นบทแล้วเราก็เบื่อ <c oughs> แล้วว่าอันี่ไม่ใช่เรา <c oughs> ใช่ใช่แล้วเราก็เบื่อมันมากทุกวันทุกวนันทุกวนักว น, วนเบื่อเบื่อเื่อบือราก็เลยปล่อยว่ามันบึ้มลงมาเลยเขาเรียกว่านิพพิทายานพอหนิพพิทายานปุ๊บมันก็เลย บึ land, しし้มเป็นว <aiser> no, hey, hey, hey, hey, ิลาคะเป็นวิมุตขึ้นเลยเป็นอาสวะขยะยานงั้นอย่างแม่ชีก็ไปดูตัวมุ่งนี้มุ่งนี้เลยนะเมื่อกี้แม่ชีนั่งบนเลยไม่ดูเราไม่ได้เห็นนั่งบนต้องหยุดก่อนนะนะเออเออต้องหยุดก่อนแ้วจะกลับไปเห็นไอ้ไอ้ไอ้ไอ้คนบนอยู่ในความว่างอีกขั้นหนึ่งก่อนมันคนละขั้นตอนกันคือตอนนี้เอาตัวเราไปนั่งบนอยู่ไปนั่งบนนั่งพูดอยู่ในใจ นั่งพูดนั่งบนอยู่ในใจเพราะว่านัพูดน้่งบนอยู่ในใจแต่มันก็มันก็ไม่มันยังไปไม่ถึงว่าเออพอเราหยุดตอนคนหยุดสักทีพอเราหยุดปุ๊บเราจะเห็นว่าไอ้เออเราหยุดแล้วนี่เราตั้งใจจะหยุดแล้วอ่าหรือเราจะไม่ได้ตั้งใจจะหยุดเนี่ยเราก็เป็นอะไเป็นคนพูดคนบ่นนี่คนพูดคนบนเรากลายเป็นคนพูดคนบนแล้วมันไอ้ไอ้ขั้นตอนต่อไปมันไม่เกิดไอ้ขั้นตอนที่ว่าเราเห็นตัวเราหยุดแต่จิตมันไม่หยุดพูดไม่หยุดบน มันไม่หยุมันไม่มีตัวนี้ขั้นตอนนี้ไม่มียังไม่มีอยู่มันต้องหยุดซะก่อนเดี๋ยวขอขอขอออกมาแล้วตายืล้วตายหมดเลยอย่างเงี้ยถ้าถ้าเราเราหยุดซะก่อนเราหยุดซะก่อนเราจรี่ๆหยุดหยุดจริงๆนะแล้วเราเนี่ยเราหยุดที่จะไปหาเหตุผลแล้วหยุดจะไปวิเคราะห์วิจารวิจัยหยุดที่จะทำความเข้าใจเราหยุดจริงๆต้องหยุดจริงๆนะหยุดที่เราจะไปวิเคราะห์วิจารวิจัยหยุดที่จะไปหาเหตุผลหยุดที่เราจะทําอะไรให้เป็นอะไรหยุดที่จะปฏิบัติธรรมหยุดจริงๆอยู่สนิทจริงๆภายในใจ่ ไม่คิดแม้แต่จะปฏิบัติธรรมไม่คิดแม้แต่จะเข้าใจไม่คิดแม้แต่เรื่องนิพพานไม่คิดเลยหยุดแม้กระทั่งการพิจารณาถูกต้องถูกต้องไม่พิจารณาเลยเออนั่นแหละกับอาการที่เรา ท, ทุกอย่างเลยไ ม, ไม่พิจารณาอะไรเลยหยุดหมดเรียนทำอยู่ตลอดนี่เราต้องใช่ใช่หยุดนะครับหลวงพ่อมีตัวสังเกตตลอดไม่ใช่เอะต้อมีตัวสังเกตไปตลอดไม่ใตัวสังเกตก็คือตัวนี่ไงสังเกตว่าเรายังไม่หยุดนี่แต่ตัวสังเกตสังเกตว่าเรายังไม่หยุดนี่ไง ไอตัวสเกต์นีคือเราเรายังไม่หยุดไงนะ่ยแล้วไตัวสเกตเห็นว่าเอาองเราไม่ยังไม่หยุดสักทีเนี่ยไอตัวที่ทำให้เราหยุดได้คือตัวสัเกตนี่เนี่ยที่มันเห็นว่าตัวเราไม่หยุดจรงอะไอตัวสเกต์เราเริ่มช่วยแต่ว่าเราตัวเราหยุดได้ตัวนี้ต้องมีตลอดไอ้ตัวนี้ต้องมีตลอดนะตัวเนี้ยเพราว่าไอไอเนี่ยมันไอเราจะเราจะทําอยู่เนี่ยช่างพีบอกเอ้าไม่ใช่เราทําเหรอบอกไม่ใช่เราหยุดไอตัวสเกต์เลยมันเห็นว่าเอ้าตอนเราทําเรายังไม่หยุดเนี่ยเราก็เลยไอตัวเรายังไม่หยุดเลยเพราะไอตัวสเกต แลยไม่ชีก็ไม่ใช่เราทําไปตลอดเลยเหรอแล้วมันเราจน้ามันเป็นไม่ใช่เราเราต้องหยุดอย่างสงบแล้วเงี้ยเราก็เห็นว่าเราพิลัยมากพอสงบแล้วเราก็เริ่มรู้ละอ๋อเราไม่สงบแม้แต่นั่งอยู่เงียบๆเนี่ยคนอื่นก็เงียบหมดแล้วเนี่ยแต่เราพูดใช่จใจใจใอยู่ในใจเนี่ยต้องการให้เห็นตัวเนี้ย มนได้เง so an so ียบหมดแล้วทุกคนไม่พูดแต่ลงตามไม่พูดอื่นมาต้องเงียบแต่เราเกจเดี่ยดีตัวเราไม่เงียบหรอกข้างในเราเกจได้ดีๆข้างหนตัวเราไม่เงียบพถ้าลงตามไม่พูดในนึงเงียบแต่ตัวเราไม่เงียบเห็นได้ดีๆเนี่ยมีค่ามากเลยแล้เขาเงียบกัหมดแล้วตัวเราไม่เงียบพูดอยู่คนเดียว พูดอยู่คนเดยวั้พูดอยู่คนเดียวไม่มีใครในไม่มีใครในโลกนี้ไม่พูดทุกคนพูดหมดแม้แต่ลวงตาก็พูดใครก็พูดไม่มีใครไม่พูดหลวงตาเก็ต้องพูดในใจคนเดียวนี่เนี่ยเพราะมันเป็นอนัตตาดับมันไม่ได้ง่ะดับไปตัวไหนยังมีใครดับได้ไอตัวที่พูดอยู่คนเดียวจะดับไม่ได้ใครที่เข้าใจผิดพยาญาจะดับแล้วโง่ตายเลยอันนี้ดับมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาพระเจ้าตรัมเป็นอนัตตามันอยู่เนมันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวส่วนของเรามันไม่อยู่อำนาจบัลลับของเราไอตัวที่พูดคนเดียวเนี่ เร ต, ตาเรนเห็นว่ปปามันเงียบมันตมั่งแต่พอรูปตาพูดแลก็โต้มันทีก็โตพออยากจะพูดอีกก็จะโตอีกจะพูดอีกก็จะโตทุกคําพูดอันนี้มันไม่สงบพอเงียบแล้วเราจะรู้ว่าเราไม่หยุดเลยมันพูดตลอดพูดตลอดพูดตลอดพูดตลอดโ อ, อ้ใช่อันเนี้ยเราเห็นหมนันพอเห็นแล้วไม่ใช่เราพยายามไปดับมันนะไอ้มันไอตัวที่พูดตลอดไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราที่เราตัดมันเป็นอนัตตา เราไปดับมันไม่ได้แบบมันไม่อยู่ในบังคับของเราเราก็เห็นเป็นหยิ่งนั่นแหละเห็นมันเห็นมันแต่เราเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่เราเราไม่ใช่มันมันไม่ใช่เรามึงอยากพูกระพูดไปมึงอยากพูกระพุ้ดไปแค่นั้นแน่ที่เรารู้สึกได้จากใจว่ามึงอยากพูกกะพุ้ดไปมึงไม่ใช่กูไม่ใช่มึงแล้วนะแค่นั้นแน่ใจเราก็สงบบ้างเปล่าไปเลย แต่คนพูดจออยๆยอยหมดปัญหาตัใจเราไปจะพูดไปเหอะต่อไปก็จะพูดังหวจะพูดจังคืงชังไม่เกี่ยวกับเราแต่ใจเราก็สงบระวางฟาไปนะจนเมื่อไรเนี่ยเราเห็นนี่นี่ไปแล้วเราก็เบื่อไอ้คนพูดที่เพลงมันพูดอยู j ay j ay ่เพลงนี่เราก็เราลาเบื่อคนบนคนเบื่อเบื่อคนบนบนเ่เอพลงมันเพลงมันพูดมันล้อแต่แค่นี้เบื่อคนบ่นบนคนเบื่อเบื่อคนบ่นบ่นคนเบื่อมันจนเองราเบื่อจริงๆก็เบื่อไอ้คนที่มันพูดจอยอยอยจอเนี่ยเราเบื่อมันจริงๆแล้วก็ว่ามาเลยบ ไอตอนนั้นแหล่งลกธาจังจะเป็นการไปทางลกธาตุเลยเมันพูดมันพูดจอยแล้วมันพูดมาจากเออความว่าคุณมาจากความไม่มีอะไรมันพูดมาจากต้นตอนเป็นคาพูดคาพูดมาเป็นคาคำเดียวคาเดียว<ช>และก็ อ, ออกมาเป็นยืดยาวอย่างนี้ใช่ใช่ถูกต้องไอนั่นที่ว่าไม่ใช่เราใช่ใช่ตัวที่พุด มันพูดมาจากน้ำไงให้นีของมันเองเอาเป็นของมันเองเดียกันนัตานันเป็นนตามันเป็นของมันเองตั้งแต่แรกเลยอันไนอันหนไปดูใตัวนี้ใช่เห็นมันเห็นในตัวนี้แล้วก็เห็นร่ามไม่ใช่เรามันพุดขึ้นมาจับปุ๊บปุ๊บปุ๊งน้เนี่ยอันนันหเป็นฟองน้ําุุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊เปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุทบปมาบปุ่บ ไอ้พุทเดียวเนี่ยมันแตกออกไปโอ้โหแตกลูกแตกหลานแตกเออใช่ตอนนี้ก็ฟุ้งซ่านแหละแต่ถ้าเราเนี่ยเห็นมันอยู่ตลอดอ่ะมันก็ได้แบบพุทธพุทธพุทธดุลพุทดีพุทธนั่นพุทธดีมันก็ดับมันไปเองอ่ะมันพุทธกีบยัไกี่พุทธก็ดับมันไปเองแตะแต่พอเราไม่เห็นมาเนี่ยมันพุทเสร็จแล้วต่อลูกต่อหลานต่อยุดยาวไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดเลยตอเนี้ยตัวกูของกูของมึงของกูสัดกันหน่อยหมดเนี่ยไอ้ตัวที่มันพุดธกันมานี่ ทีนี้เราไปเห็นธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้แล้วแล้วเราจะแยกมันได้ยังไงจะเห็นมันอย่งนี้กันเนเดี๋ยวเดี๋ยวปัญญาที่รู้ที่เห็นเนี่ยมันแยกเองพราะมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ตัวเราของเราเรากลายเป็นความแตกต่างจากมันแล้วเลยกลายเป็นความไม่พูดไม่พุดไอ้เราความไม่พูดได้พุทธก็คือความว่างความสงบนั่นเองไม่พูดได้พุดแต่ไอ้นํารมะพุทธก็มาจากในความว่างความสงบนั่นแหลเลยมันก็เข้าถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งที่ท่านกล่าวว่าผู้ใดพบใจผู้นั้นพบถามผู้ใดถึงใจ ผู้นั้นถึงพวนิ่าญก็เลยถึงใจที่ไม่ผมแต่งที่ข้านบอกนะอาจารยหลวงปู่มาสบอกว่ารู้ต้นจิตจิตต้นพ้นหอยหวัวเนี่ยรู้ต้นจิตจิตต้นพ้นหอยหวนเนี่ยถ้ารู้ไปไปลายจิตจิตจรดๆๆีถ้ารู้ปลายจิตมันออกแตกลูกต่อหลานไปไกลแล้วไนงะเยอะมากอันนี้นะมันอันนี้มันกวยไปรู้อย่างงั้นปฏิบัติไม่พ้นทุกข์หรอกโอ้ยวันคิดไปตั้งวนันอ้า รู้สึกตัวโอ้โหนีินไปเยอะฟุ้งซ่านไปเยอะเอาหมพุงซ่นโอ้พหวันี้ฟุ้ง่นเยอเอาไหมรู้สึกตัวโอ้ยอย่างนี้มันมันไปไกลเยอะมากไม่พ้นทุกได้ปฏิบัติปบกี่ชาตก็ไม่พ้นทุกมันต้องรู้ทันมันก็ไปห้มสั้นเข้ามาสั้นเข้ามามันพันฟุ้งซ่านไปมันมันมันหลงมันหลงไปยาวมันสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาสั้นถอยก็เดี๋ยวน้นมันถอยก็มาต้นจิตที่มันปุ๊ดปุ๊บปุ๊บปุ๊บกึ้นมาจากความไม่มีจากความไม่มีอะไรจากตอนนี้ไม เพืออะไรเนี้ยแล้เราก็ไม่ต่วนเราไม่ไม่เกิดไม่ดับโดยไอจิตมันเกิดดับแต่เราไม่เกิดไม่ดับต้องเข้าไปไอพุทธพุทธนอีกรอบนะเข้าไปพุทธพุทแล้วก็ในสาระพอเราไม่จิตได้พุทธพุทธในใจเพราะไปถึงใจที่ไม่เกิดไม่ดับที่ท่านบอกว่าพระโสดาบันเนี่ยพระโสดาบันเห็นไอพุทพุทธเนี่ยแหละไอไอกิจการองน์กรที่มันพุทธขึ้นมาแล้วก็พุทดพุทธพุแล้วก็ดับไปพุทธพุทุขึ้นมาแลโผลมาจากความไม่มีอะไรเนี่ย แล้วก็ดับหายไปเพราะก่อนคิดมันก็ไม่ได้คิดก่อนมีอารมณ์มันก็ไม่มีอารมณ์ก่อนคิดมันก็ไม่ได้คิดก่อนมีอารมณ์ก็ไม่มีอารมณ์เออเห็นแบบนี้เอ๊ะก่อนคิดก็ไม่ได้คิดเลยกอคิดแล้วก็ดับหายไปเป็นสูกความไม่ได้คิดเดี๋ยวมันก็มีความคิดอันใหม่เกิดขึ้นแล้วก็ดับหายไปก่อนคิดก็ไม่ได้คิดคิดแล้วก็ดับหายไปก่อนคิดก็ไม่ได้คิดคิดแล้วก็ดับหายไปก่อนมีอารมณ์ก็ไม่มีอารมณ์ก่อนโกรธก็ไม่ได้โกรธก่อนโมโหก็ไม่ได้โมโหเฮ้ยก่อนที่อยากจะพูดก็ไม่ได้มีความอยากจะพูดเอนมั มันไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาในก่อนคิดมันก็ไม่ได้คิดอยู่ตลอดเวลาแล้วอยู่ๆก็คิดขึ้นมาพอนอนตื่นมาก็คิดเลยอ่ะเอ๊ะมันก่อนคิดมันก็ไม่ได้คิดแล้วอยู่ๆก็พอรู้ตัวมันก็คิดเลยเนี่ยพระรหัสพระโสดาบันเห็นอย่างนี้เห็นโอ้มันปุ๊บขึ้นมาแล้วก็ดับไปปุ๊บขึ้นมาแล้วก็ดับไปเห็นด้วอย่างเงี้ยพระโสดาบันเห็นว่าโอ้ไม่เจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมา เป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเองเป็นธรรมดาก็เองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไม่มีใครทําเกิดและไม่มีใครทำดับพระโสดาบันเห็นอย่างนี้เห็นว่าเออมันโผปุ๊บขึ้นมาแล้วกระดับมันไปเองไม่ม enfin ีใครทําเกิดมันเป็นเกิดเองมาตามธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาตินะที่หลวงพ่อบอกว่าอะไรนะมันเป็นอย่างนี้อะไรที่หลวงพ่อบอกมันไม่ใช่อะไรนะมันมันเป็นอย่างนั้นเองไงเห็นไหมมันมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติก็อย่างนั้นอใช่สิกรธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาเองโดยไม่มีใครทําเกิด แล้วเวลามันเกิดเอแล้วก็มีใครทาดับมันนะไม่มีใครไปตีหัวมันดับมันเกิดขึ้นแล้วมันก็มันก็ดับมันไปเองแต่ใครไปยุ่งกับมันถ้าใครไม่ไปยุ่งกับมันไม่มยึดถือมันก็เกิดขึ้นเองแล้วก็ดับเองเกิดเองแล้วก็ดับเองเกิดเองกับเองนั่นคือพระโสดาบันเห็นว่าอ๋อมันจะเกิดเองดับเองมันเกิดเองดับเองเกิดดับเองแต่ท่านกล่าวว่าส่วนพระอรหันต์เนี่ยเห็นว่ามีสิ่งนอกจากสิ่งที่มีสิ่งที่เกิดเองดับเองแล้วมีสิ่งที่ไม่เกิดและไม่ดับ พระอาหันเห็นสิ่งที่สิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นย่อมไม่ดับเป็นอมตะาานะครับาะมันพูดยากเพราะว่ามันต้องถึงใจ รู้แต่ว่าใจมันไม่เคลื่อนที่อะไรเลยมันมีแต่นี้มีแต่สงบมีแต่ว่างมีแต่ความเงียบสงัดไม่มีได้ความเคลื่อนที่ไม่มีอะไรสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่มีอะไรปรากฏแล้วมันก็ไม่ได้สนใจสิ่งที่ปรากฏในใจนลแม้แต่ขันห้ายังมีอยูย่ยังคิดยังพูดได้แต่ในความคิดความพูดได้มันเหมือนกับมันไม่มีอยู่ในใจที่ว่างเปล่า มันก็ได้แต่คิดขึ้นมา้อยตัวขึ้นมาแล้วก็มีการพูดก็พูดขึ้นมาเลยแต่มันไม่ได้พูดมาจากในใจมันไม่ได้คิดออกมาในใจมันมันมันแยกส่วนกันระหว่างขันห้าทำงานกับต่ที่วางเปล่ามันมันมันไม่มันอยู่ห่างไกลกันไปเลยมันไม่ได้เหมือนว่ามันเกิดในใจระดับในใจมันเหมือนขันห้าก็เป็นสิ่งเป็นสิ่งอะไรที่มันมันทำงานอยู่ไกล สนใจก็เป็นใจความว่ามันไม่ได้เหมือนกับน้ำน้ามันที่ลอยตัวอยู่เหนือน้ำแต่น้ำมันมันอยู่เหมือนอยู่ไกลมากเลยมันไม่ได้เป็นลอยตัวอยู่ติดกันอันในความคิดมันเหมือนคิดอยู่ในความลมๆแรงๆ เ, เหมือนในธรรมชาติมันไม่ติดกั น, น, นานครับวะเวท ต้องไปเห็นส้อของความคิดที่มันพูดก่อนใช่ใช่ต้องเห็นเห็นที่มันเห็นมันเห็นอย่างนั้นนี่ยเห็นว่าใจเราไม่ไม่ได้คิดใหญ่จะคิดอะไรต่อให้มันมีความคิดอยู่เกิดกิบาลแต่มันก็ไม่ได้มีไม่ได้ไม่ได้มียหตุในความสนใจไม่ได้มีผู้ไปดูมันไม่มีไม่มีใครไปใส่ใจมันเลยในความคิดหนอนจะพูดอะไรก็พูดมาคิดจะทําอะไรก็ทําไปเลยจะพูดอะไรก็พูดไปเลย ไม่มีใครไปใส่ใจดูความคิดแต่มันรู้แต่เพียงว่าตัวมันเองคือความคือจักรวาลที่ว่างเปล่าตัวมันเองก็ไม่รู้ว่าตัวใครหรือก็ตัวเรานี่ไหนมันคือมันเป็นจกักรมันเป็นจักรวาลที่ว่างเปล่าเราจะคิดอะไรก็คิดไปเลยทําอะไรไปเลยพูดก็พูดไปเลยแต่ถ้าในก่อนขั้นตอนนี้มันจะมัต้องเห็นมีก่อนที่หลวงพ่อว่ามันต้องเห็นปุ๊บ พุทธเท่านแต่ตัวเราไม่พุทธตัวเรามันไม่ไม่ได้มีการเกิดไม่มีการดับไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆพุทธพุทพุทแล้วก็พอถึงจิดหนึ่งงี้มันก็ไปเป็นไอ้ตัวนั้นเลยเป็นไอ้ไอ้ตัวที่มันไม่พุทธไม่อะไรมันเป็นของบ้างไปไม่ก่อไม่เคลื่อนไหวแล้วตอนนี้ไอ้ไอ้พุทธหรือไม่พุทธมันก็ไม่มีใครไปดูมันแล้วแล้วมันก็ไม่มีใครไปใส่ใจมันเหมือนแต่เพียงว่าใช้งานไปเลยแต่คิดอะไรก็คิดทำอะไรไปเลย คิดทำวัดคิดสร้างคนสร้างนี่ก็คิดไปเลย嘛มันไม่ไปดูว่ามันคิดอะไรอยู่ในใจเกิดดับในใจต่อไปแล้วแล้วมันจะพูดจะพูดมันก็พูดออกมาเลยพูดออกมาไม่มีเรื่องอะไรพูดก็ไปพูดอย่างเงี้ยคือมันทําออกมาเลยคิดออกมาเลยมันคิดออกมาเลยมันไม่ไม่ไม่ไปเห็นความคิดเกิดดับในใจไม่เปไม่ไปดูเลยมันพูดพูดูพูดอีกแล้ว ถึงตรงนั้นนะมันมันมรู้จะพูดยังไงนะเพราะมันได้มีคนไปดูไปรู้ไปเห็นไปละไปปล่อยไปวางที่ลุงปู่ใช้คําของปู่ดุลโตโรที่ว่ามันเป็นมหาสุญญาตาแต่เขามันตัดทิ้งด้วยสิจักรวาลเดิมแล้วตั้งแต่ยังไม่ตายแต่ใจมันไปนเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลเดิมนะหรือในหนังสือตามหาบูมีเรื่องหนึ่งว่าอาวากาศอังกิตเดิมแจ มันเป็นเป็นอวกาศไปแล้วเป็นจักรวาลเดิมไปแล้วมันไม่รู้สึกว่ามันไม่มีใครไปดูความคิดอีกแล้วมันไปดูอารมณ์มันไม่มีใครไปดูความเกิดดับอีกแล้วเพราะว่าความคิดมันก็ไม่มีอยู่ในกายไม่มีไม่เหมือนมีไม่มีไม่รู้สึกว่ามันอยู่ในกายในใจความคิดมันจะคิดทําอะไรก็ทํำไปเลยแต่ความคิดไม่ไม่รู้สึกว่ามันคิดอยู่ในกายในใจคือมันจะคิดทําอะไรก็คิดไปเลยมันไม่ได้คิดว่ามันมีอยู่แล้วก็ดับไปอะไรมันได้คิดไม่ได้ไม่ได้ไปดูไม่ไปดู เราจะพูดอะไรก็พูดไปเลยแต่ใจมันคงเป็นจักรวาล อ, อย่างนั้นนะเป็นความข้างกาแต่ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่จะปฏิบัติผิดเยอะมากละ่ะเป็นส่วนใหญ่เลยก็จะอยู่ปฏิบัติแล้วก็เอาตัวเราไปไปจับความว่างเลยอันนี้เอันนี้ผิดพลาดมาหันอยู่ๆกเ็เอาตัวเราเนี่ยไปรู้ความว่างเลย แต่ไม่ได้รู้ความมีมันต้องรู้ความมีนะแล้วก็รัความมีหมดจริงๆเป็นเป็นความว่างแต่อยู่ๆเนี่ยเอาตัวเราเนี่ยไปรู้ความว่างไม่เห็นความว่างเลยมันต้องเห็นความมีโดยที่ไม่สนใจความว่างมันต้องเห็นความมีโดยไม่สนใจความว่างแล้วมันเห็นความมีจนกระทั่งมันไม่สนใจความมีมันจะเป็นความว่างมันกลับด้านกันผู้ปฏิบัติเนี่ย ผู้ปฏิบัติเนี่ยมันจะไม่ได้เห็นความมีชัดเจ น, นเลยเรามันไม่ได้ไม่ได้ปล่อยความวางปล่อยความมีทั้งหมดมีเอดิพุฒพุฒพุฒพุดพุดที่หลวงพ่อว่า sembla. มันจะไม่ได้เห็นความมีทั้งหมดเลยที่มันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองมันเห็นจุ่กระทำมันมันไม่มีแค่ไปยึดความมีทั้งหมดเลยมันเลยปล่อยวางความมีทั้งหมดมันเลยกลายเป็นความว่างแต่ผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยอยู่ๆจะไม่ได้เห็นความมีพุดพุดพุดเกิดเองดับเองไปเห็นความว่างเลย พอไปเห็นความว่างเลยมันไม่ได้เห็นความมีแต่ก็มีแต่ความว่างดูที่ไรก็เหมือนกับก้มลงไปดูในตัวมีแต่ความว่างความนิ่งมีแต่ความว่างความนิ่งแต่มันเอาความมีไปดูความว่างแต่ไม่เห็นตัวเองฮะเป็นความมีแต่เอาความมีไปดูความว่างยกตัวอย่างหลายคนมากเลยมามาเราก็เป็นอย่างงี้นหละว่างไปเชื่ออาจารย์ดูก็ได้ว่างหมดเลยว่างหมดเนี้ย หลายนก็มาอย่างเงี้ยว่างหมดเลยอาจารย์แต่คนที่บอกว่าคนที่พูดว่าว่างหมดว่างหมดเนี่ยพูดไม่หยุดเลยคือคนที่ที่ไปรู้ความว่างเนี่ยพูดไม่หยุดมันไม่ไอตัวเนี้ยมันไม่จบอ่ะไอตมันพูดไม่หยุดเลยอะ่ะแล้วก็กำลังนั่งสอนทำอยู่เนี่ยก็เอาโทรศัพท์มาคุยอยู่นั่นแหละคุยโทรศัพท์ต่อหน้าเนี่ยคุยพอคุยนี้จบอ่ะโทรใหม่ละคุยเนี่ยแต่พอวาง ต้แม่คุยโทรศัพท์แล้วก็ดูว่างเนี่ยอาจารย์จะว่าไงว่างหมดเลยเนี่ยว่าแต่คนนี้สวยจอยจอยๆยจอฟุ้งซ่านอยู่นั่นแหละแต่เวลาบอกบอกบอกก็ก้มก็ไปดูในตัวมีแต่ความว่างไม่เห็นคิดอะไรเลยแต่คนคิดมันอยู่นี่ไม่อยู่ในหัวนี่ก็จะยังไงมันเอาหัวเนี่ยก้มเหมือนทําเหมือนกับเอาหัวแล้วโก้มไปดูในตัวมีแต่ความว่างะแต่คนพูดโทรศัพท์จอยจอยๆอยจอยู่สนามคนก็จะนั่งฟังอยู่เนี่ยมันกลายเป็นเอาเอาเอาหัวเนี่ยเหมือนกับเอาหัวก้มไปดูตัวเองเห็นแต่ความว่างแต่ไอ้ความคิดมันอยู่ในหัวนไม่เห็น เอาหัวผู้โทรศัพท์ดิวเนี่ยเฮ้ยเราก็ปวดหัวกันมาหลาคนทั้งหลายบอกว่าฟุงา้งซ่านสดดีเลยไม่ไม่เห็นหรือไงเนี่เออาไอเจ้าตัวเห็นว่าเห็นแต่ความว่างแต่คนอื่นเห็นว่าตัวเองฟุ้งซ่านแล้วเยอะว่านะแบบเนี้ยและจริงๆเลยเนี่ยผู้ปฏิบัติผิดส่วนให ญ, ญ่ก็เอาตัวเองไปเห็นความว่างเลยแต่ไม่เห็นไม่เห็นความมีของตัวเองคือไอความมีก็คือไอตัวเองก็จะพูดจ่อยจ่อย่อย่อยอยจ่ อ, อ, อ, อยฟุ้งซ่านทั้งวันไม่เห็นเนี่ยปฏิบัติผิดพลาด เกิดเยอะมากเลยมันต้องเห็นความมีซะก่อนเห็นความมีก็คือตัวเรานี่เนี่ยมันว่าอย่างไงก็เห็นตัวเราพูดให้ได้ไม่ว่าใจมันจะนิ่งมันจะว่างไหก็เห็นตัวเราพูดได้ได้เราต้องตั้งตรงที่ฐานแบบไม่มีเราไอ้ตัวเราไม่พูดต้องเห็นตัวเราให้ได้ดังนั้นไม่ว่าจะว่าอย่างไงมันจะนิ่งอย่างไงให้ย้อนก็หาผู้รู้ให้ย้อนก็หาผู้รู้นี่นี่ไม้ตายเลยเนี่ยครูบาอาจารย์เขสอนอย่างเงี้ยไม่ว่าจะมันจะว่างจะนิ่งไงให้ย้อนก็หาผู้รู้ไอ้ผู้รู้เนี่ยพูดไม่หยุด มันจะถ้าย้อนไปหาผู้รู้มันจะได้ผู้รู้เนี่ยพูดไม่หยุดเอ้เราว่างสักขนาดนี้ทำไมครูบาอาจารย์บอกเราไม่ว่างถ้าเราว่างท่าไหนที่มันทําไมเราบอกว่าว่าเราว่างสักขนาดนี้ทําไมเขามาว่าเราฟุงซ่านเขาว่าเขาไปหน่อยเดียวบอกว่าว่างอะไรฟุงซ่านสิ่งดีไปนอนไก่หน้าผาเป็นวันเลยแล้วบอกนอนไก่หน้าผาคิดอะไรอยู่น่ะคิดออกว่างสักขนาเนี้ยทํำไมมาว่าฟุงซ่านได้ แล้วนี่คิดมากี่เช่วโมงแล้วเนี่ยโอ้ยพุงสร้างดินดียังไม่เห็นเลยว่างอะไรแบบเนี้ยเขาว่าหน่อยเดียวคนอื่นเขาลุกไปทาบัญชานานแล้วนี่เขาว่าเขาว่างว่างอะไรยังพุงสร้างดินดีแค่นี้นอนคิดเป็นวันเลยแล้วก็บอกเขาว่างพเราไปว่าเขาแล้วบอกว่าไม่เห็นยังไงนอนคิดพุงสร้างอยู่เนี้ยลุกพูดขึ้นมาว่าเราเองอาจารย์ไม่เชื่ออาจารย์ดูก็ได้แม้คิดอย่างงี้นะใจก็ยังว่าเออเราว่ามันก็เก่งดีเหมือนกันก็รู้ว่าไม่คิด อาจารย์ลองดูสิแม้คิดอย่างนี้นะใจก็อยากว่างเปล่าเออยังดียังรู้ตัวเองคิดม anyway. ถ้าบอกว่ามิแต่ความว่าง like ไม่มีความคิดหมดหัวตายแบบเนี้ยเมื่อนอนคิดทั้งวันยังบอกว่าใจว่างเปล่าได้แล้วพอจะตายโอ้โหพูดพรอมพร้อมพรมพร้อมควาุงซ่าเป็นสติเลยพุงซ่ามากเลยเนะ่ยตายเป็นเราสอนอยู่เนี่ยพอมานั่งมานั่งพูดอะไรก็ไม่รู้แล้วเทอะบ่มบ่มบ่มบ่าบ่มบ่ม ผููอยู่คนเดียวว่างนั่นแหละว่างผู้อยู่คนเดียวก็อะไรก็ไม่เห็นตัวเองคนอื่นเห็นตัวเองบนในตัวเองไม่เห็นตัวเอง เ, น, เองนี่ยเป็นแบบเนี้ยอย่างบางลายก็มันนุ่งผ า, ววาขาวแล้วก็อยู่ในบ้านแล้วก็สอนรัดทิว่างไม่ลูกสินลูกหาเราก็บอกวันนี้ทําไมไม่กลับไปช่วยลูกก็พาลูกมาหาเราพร้อมกับลูกูของลูกสาวว่าหลานน่ะเขาป่วย หลานมันออกมาแล้วมันคลอดออกมาแล้วเป็นเด็กติดมันมันป่วยตั้งแต่มันป่วยออกมาแล้วก็ป่วยเลยคลอด อ, อกมาิดปกติป่วยเขาก็พามาหาเราให้ช่วยช่วยรักษาหลานหน่อยเราไปเห็นอยู่แล้วลูกเขาก็สามีเลิกกันไปนแล้วเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวตลาลพังแล้วต่อมาลูกสาวเป็นลูกเป็น อ, มอัมพฤกเดินไม่ได้แล้วก็ยังไอ้ลูกคนยังเล็กอยู่เลยยังป่วยอยู่และไอ้ลูกสาวก็เป็น อ, มอัมพฤกเดินไม่ได้เราก็บอกว่าเนี่ย มาอยู่วัดสอนละที่ว่างทําไมไม่ให้กลับไปดูแลลูกกับหลานเนี่ยเพราะว่าก็ลูกก็เป็นอัมพาตเดินไม่ได้เนี่ยแล้วหลานก็ป่วยเนี่ยเอาไม่ให้เรารักษาเนี่ยแล้วสามีก็เลิกกันไปแล้วเนี่ยทําไมไม่กลับไปบ้านไปช่วยดูแลไปงานได้ไหมต่อไปมันยุ่งวุ่นวายนะอ่ะกลับบ้านมันยุ่งวุ่นวายแต่มาอยู่วัดสอนละที่ว่างใจว่างสอนว่าใจว่างเปล่าใจว่างเปล่าใจว่างเปล่ า, า, า, า, าแตบ บอกว่าไม่ให้กลับไปช่วยลูกมันเปน็นอัมพาตลูกมันเปน็นอัมพเนี่ยมันเป็นใครดูแลลูกแล้วมันลาบากมากนั่นต้ไปจ้างเข้ามาเสียงเงินเสียทองกลับไปดูลูกหน่อยเราก็บอกให้กลับไปดูลูกไม่ให้โบนยายเลยกลับไปเป็นยุ่งวุบ่นวายนักเ อ, อย้ยอเงี้ยเราว่ามันยุ่งอะไรใจมันยุ่งต่องหาไม่เห็นใจยุ่งมันเห็นแต่ใจว่างเนี่ยเราต้องบอกว่าต้องเห็นสิ่งที่มีในใจของตัวเองเห็นตัวเองเนี่ยยุ่งไม่หยุดนั่นแหละถูกต้อง เมื่อไหร่เห็นตัวเองยุ่งไม่หยุดทุกข์ไม่หยุดตัวเองยุ่งไม่หยุดทุกข์ไม่หยุดยุ่งไม่หยุดทุกข์ไม่หยุดนั่นแหละแล้วที่สุดแล้วมันจะค่อยๆเบื่อหน่ายตัวเองนิพพิทาเกิดนิพพิธาเบื่อหน่ายตัวเองเบื่อหน่ายตัวเองจึงเกิดนิพพิทายานพราะเกิดนิพพิทายานที่จะเป็นวิมุตถ์เออถ้าไม่เป็นนิพพิทามันจะไปไม่เป็นวิมุตถ์ไม่เป็นวิลาข้าววิลาข้าวคือหมดยางเหนียวแล้วใจไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวสิ่งใดให้เป็นทุกข์อีก ต, ต่อไปเนี่ยเลยว่างเลยเป็นวิมุตติิด่ยยคือออก็งู่ อาจารย์ที่ยองก็ถามว่าไปอยู่ในความเงียบเรอจะเงียบอย่างนั้นเหรอที่จะทำยังไงตอบไปเน่ก็ต้องข้อหาผู้รู้เนี่ยอข้อหาผู้รู้พอก็หาผู้รู้เราจะเห็นว่าในความเงียบไอผู้รู้ไม่เงียบะข้อหาผู้รู้ที่เราบอกว่าเงียบเราไม่ได้พูดอะไรแล้วเราเรางข้อหาผู้รู้ที่ว่าอที่เราบอกว่าเราไม่ได้พูดอะไรใครรู้ว่าเราไม่ได้พูดอะไรใครเป็นคนรู้ว่าเราไม่พูดอะไรล่ะเนี่ย เราไม่ได้พูดอะไรเลยเขาบอกว่าในความเงียบมันความคิดเข้าไปไม่ได้เลยก็ได้ไม่ไม่ได wow. ้ดูความเงียบมาดูพูดที่รู้ความเงียบพิกลับด้านมาคือเหมือนดูโทรทัศน์กลับด้านอะและที่เราจะเอาไปเราเอาตัวเราไปดูโทรทัศน์คืออาการเงียบแต่มันดูดูให้คนดูโทรทัศน์ดรอีกด้านเออดูอีกด้านะดูดูให้คนดูโทรทัศน์เดี๋ยวไปดูความเงียบดูดูความไม่พูด เราไม่ได้พูดอะไรไม่ได้คิดอะไรทำไมบอกว่าเราเราพูดเราคิดแต่เราเนี่ยเอาตัวเราไปดูความเงียบเอาไปดูตัวเราไม่พูดแต่ให้ย้อนสอนกลับมามาดูไอ้ตัวเราที่ไปรู้ว่าเราไม่พูดอใครเป็นคนรู้ว่าเราไม่พูดแล้วใครเป็นคนรู้ว่ามันเงียบไอคนนั้นนะพูดไม่หยุด ถ, <ble ed> ถ้าย้อนตรงนี้เป็นเนี่ยเห็นได้เนี่ยมีทางพ้นทุกเลยถ้าย้อนตรงนี้ไม่เป็นคนทุกไม่ได้รับรอง คนทกไม่ได้เพราะว่ามันมันเข้าหาผู้รู้ไม่เป็นต้องขอขึ้นมาไหมครับไมอยุ่ยนะต้องขอขึ้นมาไหมขอขึ้นมาไหมคือไม่ทักไม่ต้องขอก็ได้แต่ว่าเราอยาอยากพุ่งเป้าไปสิ่งไปยังสิ่งที่ถูกรู้มันเข้าไปอยู่ในเงียบเลยอะเอออย่างนั้นแหะคือมันมันเข้าไปสนใจความเงียบมันไปเข้าสนใจความเงียบแต่เราสนใจสังเกตเห็นผู้ที่รู้ความเงียบไอ้ยังงี้ยมันมันจะไม่สนใจความเงียบแล้วมันก็จะไม่ถูกไม่ถูกความเงียบดูดไปเพราะมันสนใจว่า ใครรู so ้ความเงียบก็ตัวเราไงเป็นคนรู้ความเงียบเราก็ดูตรงตัวเราผู้รู้เลยวันนี้ก็ดูตาอุราไม่สนใจความเงียบเลยดูตัวเราผู้รู้ความเงียบมันพูดไม่หยุดเลยมันเงียบนี้ไปไม่ถูกเลยมันเงียบมีจะทํำยังไงต่อมันถูกหรือเปล่าในเงียบอำไมอาจารย์ว่าเราเราพูดก็เราเงียบอยู่เนี่ยได้คนที่พูดพูดจ่อยค้าดจี๊ดจยิงยงยิงยงยิงไม่ไม่เห็นแต่ไปเห็นแต่ความเงียบอยู่ได้วยแหละ ก็กลับด้านกลับด้านปฏิบัติแบบกลับด้านเราเอาตัวเราเนี่ยไปข้างหน้าเราต้องกลับด้านมาดูตัวเรามันจะเห็นตัวเราแล้วปล่อยวางตัวเราที่จะพ้นทุกข์ถ้าเราไม่ปล่อยวางยังเอาตัวเราไม่ปล่อยวางอย่างอื่นไม่พ้นทุกข์มันต้องกลับด้านครับมันปล่อยวางตัวเราที่จะพ้นทุกข์ที่ที่พอวางที่ที่บอกว่ามีดหลวงปู่ท่านหนึ่งบอกว่าเออผมปล่อยวางหมดแลาา้วทำไมดูที่เราไม่มีอะไรที่ผมไม่ปล่อยวางมันไม่พ้นทุกข์ผมปล่อยวางหมดทุกอย่างะ อท่านท่านถ้าตัวท่านไม่ด้ปล่อยวางทุกอย่างแตท่านยัไม่ได้ปล่อยวางตเองเนี่ยต้องปฏิบัติกับด้านย้อนมาดูตัวเองเราเห็นตัวเองพูดไม่หยุดแล้วก็เห็นว่าอไอคนพูดไม่หยุดมันทุกตลอดเวลาเลยมันทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกจะหนีนะจะหนีจะหนีไอตัวนี้จะหนีไอตัวที่ทุกไม่หยุดเนี่ที่พูดไม่หยุดจะหนีอดทน ปดทนที่อยู่กับมันปดทนที่อยู่กับมันแล้วจะเบื่อมันเกิดนิพิธายาณที่จะเป็นเวลาพรเป็นพิบุญถ้าเราหนีมันอ่ะเราบุญจีบมันพยายามดับมันมันทุกข์ควา ม, มาทุกข์มาหยุดทุกข์จริงๆทุกข์ทุกข์มากถ้าเราหนีมันหลบปุ๊บไปอยู่กับใจที่สบายเสียท่าเลยหลายคนทําอย่างเงี้ยเห็นผมมาเห็นตัวเองพูดไม่หยุดพลิกความรู้สึกหนีไปอยู่กับอารมณ์ที่สบาย ยิ้มไปยิ้มมาอยู่วัดยิ้มไปยิ้มมาหน้าเลือแต่ไม่เห็นตัวเองพอเราพักเข้าไปคำร้องไห้กันเป็นแถวทำไมยิ้มแต่ใบหน้าใจไม่ยิ้มเนี่ยเนี่ยเราว่าเราทักไปเลยทาไปยิ้มแต่ใบหน้าทำไมใจไม่ยิ้มโอ้ยร้องไห้อ่เลยกันนี่มันทุกอย่างนนทุกอย่างนี้ทุกอย่างนั้นทุกอย่างนี้ก็มันไม่มันหนีความทุกข์ไปหาความสบายแต่ใจมันทุกข์อยู่แต่ไม่เห็นพอเห็นปุ๊บไม่เอา่ะไปดูความสบายมันเลยไม่เห็นความจริง ไม่ชีย้อนไม่เห็นตัวเองก็พูดไม่หยุดดีกว่าเอาตัวเองไปพิจารณาไอ้ตัวนั้นมันก็ยังไม่เป็นไม่นายจักศบความตายย้อนกลับไปเห็นตัวเองอ่ะเพราะไม่ชีพูดไม่หยุดย้อนไม่เห็นตัวเองให้พูดไม่หยุดไอ้ตัวพวกเราพูดไม่หยุดเนี่ยเห็นให้ได้เดี๋ยวไปเห็นความเงียบความนิ่งไม่นิ่งหรอกไม่ชี้ไม่นิ่งย้อนกลับไปเห็นตัวเองลมบ่เอ็งนั่นลมตาย้อนกลับไปเห็นตัวเองให้ได้เพราะว่าไม่นิ่งไม่ว่างไม่มี คำว่านิ่งว่างไม่มีเลยมันจะมีแต่พูดมีแต่พูดตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเราไม่เห็นตัวเราพูดแต่ตัวเนี้ถึงผมไม่อยู่จะย้อนกลับหาตัวเองได้พ้นทุกได้ถึงผมไม่อยู่ตรงนี้นะจะได้ย้อนกลับมาเห็นตัวเองได้แล้วแล้วก็ปแล้วก็เบื่อหน่ายเป็นนิพพิทายานเบื่อหน่ายตัวเองแต่อยู่กับมันอดทนอยู่กับมันรู้มันอย่าหนีมันจนกระทั่งเกิดนิพพิทายันคือเบื่อหน่ายมันพอปล่อยวางอังนนั่นแหละมันจะพบใจเป็นเวลาพานจะพบใจที่ว่างเปล่า แล้วก็เราก็จะไปยึดความว่างเปล่าอีกเพราะว่างแล้วก็จะยึด ว, ว่างปล่อยวางใจไหมครับนีไม่มีใจเขา ไ, ไม่มีใครเขาไปยึดความว่างนั่นจริมันอันนี้ก็ว่างจากผู้ยึดจริงๆว่าคือว่างจะกผู้ยึดจริงๆอันเนี้ยจึงเป็นมหาสุญญตา warmer. แต่ถ้าไปพบใจที่ใจที่ว่างพบใจที่ว่างแล้วอ่ามันตอนแรกไม่ท่านตอนแรกไม่เห็นตัวเองพราบอกให้เห็นตัวเองอู้วพูดไปหยุดในตัวเองนี่น่าเหมื่อที่ตัวพูดไปหยุดก็อดทนอย่าหนีมันไปหาความว่างจะไปหาความสบายอะไรต่าง อดทนมันจนกระทั watering, ่งเบื่อหน่ายมันนิพพิายาเบื่อหน่ายจนเองแล้วใจมันก็วางไปเองอะวางไอ้คนบนคนเบื่อคนบนบนคนเบื่อเบื่อคนบ่นบ่นคนเบื่อเบื่อคนบนอยู่นั่นแหละเราเห็นไอเรานี่ยเบื่อที่สุดเลยห้เบื่อที่สุดแล้วก็จะไปดูความว่างบอกไม่มีหราตั้งคมพูดขี้ขาไปเลยไม่มีหรอกว่างยังไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างยังไม่เป็นนิพานติปพานล้อัศจรรย์อะไรเรื่องจะว่างจริงอัศจรรย์ไปทั้งโลกกระธาดนะเนี่ยเรงจะว่างจริงยังไม่อัศจรรย์ไม่มีว่างไม่มีว่าง ต้องเห็นกลับไปเห็นให้คนบ่นให้ได้ว่ายังไงกลับไปเห็นคนบ่นนะถ้าเดินหน้าว่างต่อไปไม่พิจารคนทุกข์พอย้อนกลับมาเห็ น, นเนี่ยเราเนี่ยบ่นไม่หยุดบ่นคนเบื่อเบื่อคนบ่นเลยจุกระทั้งมันนิพิจายานแล้วก็วางบึ้มลงไปแค่นั้นแนะมันี่จะเป็นวิลาทะเป็นวิมุตติแล้วตอนนี้โลกกระแทกพลิกกลับด้านตัแผ่ฟ้าตลบแผ่นดินกลับเป็นสึนามิเลยนะเนี่ย เลยต้องย้อนกลับมาปฏิบ <poet? S 1> <Jetzt! S 1> ัต like, no ิแบบย้อนกลับมาแทนที่จะเอาเราเดือดเอาไปดูข้างหน้าไปดูความว่างดูอะไรข้างหน้าให้ย้อนกลับมาเป็นย้อนกลับมาพูดดูโทรทพูเนียตัวเราพูดดูโทรทัศน์อย่าเอาให้ความว่างความเบาความสบายความสงบความนิ่งอ่ะเป็นเหมือนหน้าเป็นจอโทรทัศน์แล้วเราก็ดูใจในโทรทัศน์แต่เราไม่ได้ดูตัวเราพูดดูโทรทัศน์ให้ย้อนแทนที่เราจะเอาตัวเราไปดูโทรทัศน์ให้ย้อนดูตัวเราพูดดูโทรทัศน์เราเราจะเห็นว่าตัวเราเนี่ยพูดไม่หยุดเลย ไม่มีไม่มี่ที่จะหยุดพูดได้แล้วเราก็หยุดมันไม่ได้ดับมันไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเราเลยมันไม่อยู่ในบังคับของเราเราเลยบังคับให้มันหยุดพูดไม่ได้มันก็จะพูดแล้วมันก็จะทุกข์แล้วมันจะพูดแล้วมันจะทุกข์เพราะมันคิดจะตัวมันทุกข์กันี่ละมันจะคิดคิดคิดคคิดคิดจนตัวมันทุกข์กันแหละเราก็เห็นว่าโอ้พี่จะทุกข์ทั้งนั้นเลยเนาะเพราะอะไรอันนี้มันพูดไม่หยุดมันก็ต้องทุกข์ไม่หยุดมันเลยเบื่อหน่ายจริงๆเลยเอ เมื่อนายที่จริงไม่ใช่เบื่อหน่ายแล้วหนีปุ๊บไปเลยนันไม่ใช่เบื่อหน่ายเห็นมันไปอย่างไงแนะเห็นมันจะกระทั่งใจวางมันไปกับใจมันก็เลยเข้าไปสู่ความว่างพอใจมันเข้าไปสู่ความว่างก็อย่าเข้าไปยึดความว่างเห็นว่ายึดอะไรเป็นทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้ยึดความว่างความว่างก็ไม่ไปยึดมันแม้แต่ความว่างถ้าเข้าไปยึดมันก็เป็นทุกข์อยู่ดียึดใจจะให้ว่างก็ยังเป็นทุกข์อยู่ เป็นทุกข์กับการต้องรักษากลัวว่ามันจะไม่ว่างมันก็เลยยังเป็นทุกข์อยู่เห็นโทษมันก็วางไม่ได้เนี่ยที่หลวงตามหาบัวท่านบอกว่ายึดใจจะให้ว่างนสุดท้ายเนี่ยยะมันยุ่งที่สุดและมันเป็นเอาวิชาตัวใหญ่ดับตัวนี้ได้วิชาตัวนี้ได้โลกธาตุถึงจะดับหมดเลโลกธาตุท่านหมดเลยที่กลับด้านตลอดกลับด้านแก่กายอาศัยสัญญาไปนารลาะไปเลย มันได้ไม่มีเป็นอะไรเปจุดจอแต่จะให้ไปรู้จิตที่มันกระดับกระดับรู้รูปนามแป๊บเดียวโดนดูนเขากลับไปอีกไม่จะวนแบบเนี้ฮะวนดดนดุแล้วออกมาแล้วโดนดูดออกมาหลวงตาครับผมคือผมเห็นว่าไอ้ช่วงลอยต่อที่ที่มันกำลังจะคิดขึ้นมาเนี่ยพมเห็นมันคิดขึ้นมาอยู่เรื่อยคิดขึ้นมาอยู่เรื่อยมันเป็นช่วงลอยรอยมันขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา แล้วมันก็แล้วมันก็ดับไปดับไปดับไปดับไปอืมอืมส่วนส่วนใหญ่จะเวลาแล้วเราเดินเราเดินดินะบาทเรืออะไรเนี่ยจะเห็นรอยรอยอมันจะพุ่ขึ้นมาจะมันมันจะคิดอืมอืมมันจะคิดอืมร้อยต่อแล้วว่ามคิดอย่ามันจะเห็นช่วงๆกัอนอืมจะต้องดูต่อไป ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ถ้าเราเนี่ยไปหมายตรงนี้เราไปคอยดูดูตรงรอยต่อระหว่างคิดเนี่ยไอ้รอยต่อระหว่างคิดเนี่ยมันเหมือนโทรทัศน์ให้ย้อนกลับมาดูไอ้ผู้ที่รู้รอยต่อของความคิดนั้นให้ย้อนกลับมาดูผู้ที่รู้รอยต่อของความคิดนั้นอยากตามดูรอยต่อของความคิดนั้น ให้ถามใจตัวเองว่าถามพุทธะใจเนี่ยใครเป็นผู้รู้รอยต่อของความคิดนั้นใครเป็นผู้รู้ถามเรื่องนี้เลยใครเป็นผู้รู้จำอะไรเงี้ยใครผู้รู้รอยต่อของความคิดนี้ใครเป็นผู้รู้แต่ไม่ได้ไปสนใจใครกขาทำไงกับว่าช่องว่างรอยต่อความคิดให้สนใจว่าใครเป็นผู้รู้ความคิดนี้ใครใครเป็นผู้รู้หาให้เจอหาผู้รู้ให้เจออันเนี่ยเป็นงั้นเนี้ย ถ้าเราไปไล่ดูรอยต่อของความคิดอย่างนี้มันจะดูโทรทัศนเ์เรืยไปเลยจะเนีย้ยมันจะไม่ไม่ได้ย้อนกลับมาเห็นตัวเราพูดดูโทรทัศน์ถ้าคนที่เกิดมายังไงคก็ถ้ากลับไปย้อนกลับมานะฮะมาดูคนรู้เนี่ยมันจะเกิดเป็นยังไงขึ้นมาเพอาันนี้บอกไม่ได้ได้จับผลนีกเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าตัวเราไปจับผลเลย<ฮ>พอบอกผลปุ๊บมนจะผลตั้งไปที่หน้าจอโทรทัศ น, น์แล้วตัวเราไปดูผลนั้นเลยไล่ดูผลนั้น ท, ที่ถามเข้าไปในี่ที่ถามเข้าไปแต่ว่าอะไรคือผู้รู้ตัวนั่นจะออกมายังไงก็เด่นเห็นในไอ้ผู้รู้ได้พูดไม่หยุดคิดไม่หยุดพูดไม่หยุดอมันไม่เช็ว่ามันไม่ได้อยู่ตรงไอ้ช่องว่างของความคิดเแต่ตัวเราเองอ่ะพูดไมหยุดเลยคิดไปหยุดเนี่ยที่กําลังยังบอกกันอยู่เลตลาดนั่นแหละแล้วเลยตัวเราอีกไม่มีแล้วนะเพราะ พอมาเห็นตัวเราคิดไม่หยุดพูดไม่หยุดอ่ะมันไม่มีเลยตัวเราไม่มีผู้ผู้มาดูตัวเราที่พูดไม่หยุดนี่สาคัญที่สุดนะไม่มีผู้มาดูตัวเราที่พูดไม่หยุดอีกอีกแล้วนะคือไอ้ตัวเราที่พูดไม่หยุดนี่คือตัวสุดท้ายที่มันพูดไม่หยุดตลอดเวลาไม่มีตัวผู้มารู้ตัวเราที่พูดไม่หยุดอีกไม่ใช่นั้นนะไอ้ผู้ที่มารู้ตัวเราที่พูดไมหยุดนะไอ้ตัวที่ผู้รู้นันคือตัวผู้ไปหยุดตััวยกครบ มันคือตัวเดียวแต่คือไอตัวที่พูดไม่หยุดเนียแต่ถ้าเราไปสร้างไอตัวซ้อนมันเคยผมสอนแบบนี้แล้วคนมันไม่เห็นตัวถิ่เนตัวเองที่ไปสร้างตัวเองลอยไปนอกตัวแล้วมาดูตัวเองโอ้ยไอตัวพูดมาหยุดไปอยู่ในตัวนอกตัวเองอ่ะผมดูตัวผมเองเท่าไหร่ผมไม่เห็นในตัวนี้พูดเลยก็ไอตัวพูดไม่เคยไอคนที่ไปสร้างเขาแล้มันพูดมาหยุดผมดูเท่าไหร่ผมไม่เห็นเห็นเลยเนี่ยผมดูตัวเองไม่เห็นผมไม่ตัวเองผมพูดอะไรเลยแต่ตัวคนพูดไปอยู่นอกนด่นเ่ียไอตัวคนพูดมันจะไปอยู่ที่ตัวผู้ลุ้งเสมอเลย ตอให้สร้างผู้รู้ไปไว้ตัวเราข้างนอกตัวเรานะไปสร้างไว้ข้างนอกตรงไหนอีกอ่ะไอตัวนัตถุพูดไม่หยุดแต่พอมาดูตัวเรามันไม่เห็นตัวเราพูดก็ไอตัวเรามาถูกออกไปซะแล้วไอตัวเราก็เลยไปพูดอยู่ที่ตัวออกไปนู่นอ่ะไอตัวนั้นคือตัววิญญาณไอตัววิญญาณเราต้องเห็นมันได้ตัววิญญาณนี้ก็เราละขันห้ามไว้ได้ตัววิญญาณนั้นละขันเนี่ยเราจะละได้แก่อากการเฉยๆกับสภาวะที่ว่างจากอาการอาการที่ว่างจากอาการ เราจะละขันห้าไม่หมดไปถึงวิญญาณขันไอตัวที่ผู้รู้ที่พูดได้เนี่ยคือวิญญาณต้องละเลยไปถึงวิญญาณเนยเพราะวิญญาณมันรู้เสร็จปุ๊บจะต้องส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารมันเลยมันเลยไอตัวผู้รู้มันเลยคิดได้เพราะว่าไอวิญญาณขันเนี่ยมันต้องทํางานร่วมกับเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดมันจะต้องทำงานร่วมกันเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมันเลยไอผู้รู้เนี่ยเป็นผู้คิดได้แล้วเลยบอกว่าไอผู้รู้เนี่ยเป็นผู้คิดผู้บ่นผู้พูด ดัน้นไอ้ผู้รู้เนี่ยะไอ้ผู้คิดผู้บ่นผู้พูดมันอยู่ที่ไอ้ผู้รู้คืออยู่ที่ไอ้ปัญญาณาขันเ น, นี่ยแล้วถ้าเราเอาไอ้สภาวะอาการที่ที่ลวงตาบอกว่า ม, มันมีอาการช่องว่างระหว่างความคิดอย่าเงี้ยสองความคิดแต่และความคิดมันมีช่องว่างอยู่ก่อนเกิดก็ไม่มีความคิดแต่ไปดูเงี้ยใครดูอย่างเงี้ยมันจะไปดูสภาวะที่ถูกรู้ต้องย้อนกลัหาผู้รู้มาดูสังเกตตรงไอ้ผู้รู้ว่าใครเป็นคนรู้ไอ้มีอาการสสภาวะมีอาการมีความคิดเกิดแล้วความคิด ก็ช่องว่างแล้วมีความคิดดับแล้ it, วมีความคิดเกิดแล้วมีช่องว่างแล้วความคิดดับอย่างเงี้ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับได้ดูอย่างเงี้ยก็ตัวเองไปนั่งดูอเงี้ยเหมือได้ทำอย่างเงี้ยมันเอาตัวเองไปไล่ดูความคิดนี้เกิดดับเกิดดับเกิดดับแต่คนที่ไปเห็นเนี่ยมันพูดอะไรมันพูดอะไรอยู่เหมือนได้ดูอย่างเงี้ยแต่เราเนี่ยลืมดูตัวเราแต่คนอื่นเนี่ผู้รู้เนี่ยเขารู้ว่าเราไม่เห็นตัวเราแต่เอาตัวเราไปเห็นเนี่ย มันมันเหมือนอย่างเงี้ยเลยมันเหมือนกับว่าผมหรือว่าผู้รู้อย่างเงี้ยเห็นตัวเรากําลังทําแบบนี้ไอ้ผู้รู้เห็นแล้วไอ้ผู้รู้คือตัวเราเนี่ยไปรู้หมดเลยเห็นความคิดเกิดดับช่องว่างเห็นความคิดกระดับแต่ผมเห็นและวแล้วท่านไม่เห็นตัวเราแต่เอาตัวเราไปเห็นความเกิดดับแต่เมื่ห็นตัวเราทิ้งมันเอเกิดอย่างนี้นี่หว่าอูมันดับนี้อ๋อไปช่องว่างแบบนี้อ๋ออ๋อของที่งี่เหรอเฮ้ยเฮ้้ยอะเนี่ยเค แต่เราไม่เห็นตัวเราเราก็เห็เอ็ได้เฉพาะว่าเกิดอะไรเงี้ยแต่ผู้รู้ก็เห็นว่าเราเอาตัวเราไปเห็นนี่แต่เราไม่เห็นตัวเราโอ้จะพลิกกลับด้าน่างนี้ได้นะโลกธาตุแทบจะพิกกลับด้านเลยตรงนี้สําคัญที่สุดข้ามไม่ได้เลยตรงนี้คือหัวใจหัวใจสําคัญที่สุดของความทุกข์ ถ้าพลิกกับด้นเนี่ยเหมือนเหมือนโลกกระแทกมัจึงเรียกโลกกระแทกกับด้านมันเคยแต่เอาทิสยัยเคยแต่เอาเอาตัวเราเนี่ยไปดูสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราเวลาเราปฏิบัติธรรมเราก็เลยชินกับการที่เอาตัวเราเนี่ยไปดูไปดูสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเวลาเราจะดูอาการท้องจิตเราก็ชินกับการดอาตัวเราไปดูอาการท้องจิตที่อยู่ข้างหน้าอาารย์ทุกสภาวะจะทำได้หมดไหครับทุกสภาวะที่ที่ไม่เข้ากันจะจะวัดกับมัวตัวตัวผู้รู้ทําได้เหมือนกันหมดไหมเหมือนกันหมดครับ แต่อยู่ที่ว่าถนัดกับไม่ถนัดถนัดกับไม่ถนัดถนัดกับไม่ถนัดยงไงคืออย่างคนที่ไม่ไม่ไม่ไม่เคยปฏิบัติอย่างนี้มาเลยสักชาติเดียวเดินแต่พิจนากายมายังไม่เข้าใจเรื่องจิตเลยสอนยังไงก็ไม่เข้าใจตรงนี้ไม่เข้าใจเพราะถนัดกาย แต่คนถนัดจิตเห็นแบบนี้ทําำชาติเห็นเอมันจะมีช่องจะไปได้ทำชาติมันใจเข้าใจจะไปได้มือนจะมืนจะปิ้งเหมือนจะปิ้งไงมันจะปิ้งเห็นไม่ปิ้งเ่ยมันเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนทำชาติจะเห็นได้อย่างเงี้จะเห็นได้พวกเนี้ยย้อนกลับไปพิจารณากายไม่ค่อยชัดอ็กลับไปพิารณาไม่ค่อยชัดแต่ยากสาหรับคนทําชาตมามันควรจะดีก็้ไปอารมณ์ชาน เข้าไปพวังมันจะถพวังเข้าไปอารมณ์ฌานพอเข้าอารมณ์ฌานปุ๊บมันไม่เห็นตัวเองเพราะมันเอาตัวเองไปเข้าอารมณ์ฌานก็เหมือนกับท่าว่าเนี่ยเหมือนหลวงพ่อว่ามันจมเข้าไปในอารมณ์แล้วนะมันเลยไม่เห็นพวกเนี้ยพวกสําฌานมาเก่าอันนี้ยากมากเลยยากมากทีเจียวจริจิตเพราะว่ามันคอยจะถูกฌานดูดไปพ อ, อตัวเองไปรู้หน่อยปุ๊บมือนเก่เาไอ้ไอ้สิ่งที่รู้ไปกริสเลยตอนนี้ไอ้ เบสแต่รู้ความคิดนะเอาความคิดเป็นกสินได้รู้ความคิดเกิดดับอยู่เนี่ยแต่เอาความคิดเกิดดับเป็นกสินแล้วไอ้ผู้รู้เนี่ยก็เลยดันดูดเข้าไปดันดูดเข้าไปในสิ่งที่ถูกรู้มันเพราะวอ้ผู้รู้เป็นกสินเนี่ยเพราะมันเคยทาชาญมาเนี่ยก็เลยดูดเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกันก็เลยไปอยู่ในอารมณ์ฌานแล้วจะทําได้ไหมครับย้อนกลับมามองตัวผู้รู้จะทําได้ไหมถ้าอยู่ในตะการว่ามันตัวเราจมอยู่ในนั้นแล้วยากหรอครับยากยาก พนาตัวลจ้ก็อยู่ในอารมณ์แต่นะอยู่ในอนารมณ์จานมันต้องให้ตื่นออกมาตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นให้ตื่นออกมากันเป็นปกติอถอนออกมาเป็นปกติถ้าดิงไปเท่าไหร่ยิ่งยึงด ก, กับไปอารมณ์ฌานเลยเลยอนนะี้หมดโอกาสมัน ไ, ไม่มีทางตรงนี้แต่อย่างนี้แต่ถ้าเขา้าถ้าเป็นแบบนี้ก็ต่อปล่อยเข้าชานเต็มรูปไปเลยเข้าฌานเต็มรูป พอใจสงบแล้วคอยพิจารณากายเอามาพิจารณากายแยกแยกแยกายเอาเอารมณ์ที่สงบมาแยกแยกกายเพราะว่าทาไมไม่ให้จิตมันทำงานเพราะว่าจิตมันคิดเรื่องกายเนี่ยมันจะได้มีความคิดครู้ารับถามย้นยอนจะถามเรือความคิดใหมที่มนึนกมาพุ่งพุุเนี่ยทีนี้อีกอบนนหนึ่งปรากฏว่าพูดรู้เนี่ยมันเข้าไปอยู่เนี่ยแค่ในถ้าเลายแค่ แล้วน um ี ję, die, ้แต yani so ่เห็นความคิดเป็นแถวเลยเป็นแถวเป็นประโยคออกมาเลยทีนี้ไอ้ที่ไปอยู่ในถ้ำน่นใอผู้รู้นั่นมันเป็นกเสียงของของคนคนสอนน่ะกระแทกออกไปแค่เสียงกระแทกฮุ่มเสียงกลังวามากแล้วทีนี้ผูรู้น่ะถูกกระแทกกระเด็นออกมาเลยยู้เจ็บปวดมากแต่ผู้รู้เจ็บปวดอะไรแต่กระแทกไปไหนก็ไม่รู้ไม่รู้อยู่ข้างนอกนี่นัน มันาวนาว่าอะไรที่อะไรตามชีวิตพุ่งๆมันถาเกิดกลายเป็นประโยคไปเลยก็อนี้เนี่ยคือคนดีเขาเขามีอํานาจจิตที่เหนือกว่าแล้วก็แทกให้กระเด็นหลุดออกมาพระจับไอ้ไอ้ลูกโป่งวิทยาศาสตร์หรือฟองสบู่ที่เราเข้าไปซ่อนในนั้นอ่ะเขาก็ทํำลายล well <S <s ูกโป่งวิทยาศาสตร์แตกให้แล้วให้เราเนี่ยกระเด็นหลุดออกมาช่วยกระเด็นหลุดออกมา แต่่าออกมใช่ๆมันก็เดหลุดออกมาเลยเจ็บปวดมากใช่เพราะว่ามันมันเจ็บปวดคือมันอะไรอาวรสิ่งที่เราเข้าไปอยู่มันมานานแล้วราชมานานหลายชาติเขาก็เข้าไปช่วยเราให้ก็เด่นุดออกมาจากสิ่งที่เราเข้าไปอยู่ในตอนมันผมเรียกเนี้ยบ้านน้อยหอยสังแต่เมื่อก่อนนี้มันมีนิทานสังทองเรื่องสังทองที่เขาอ่านแล้ไอสังทองก็เกิดมาแล้วมันมีมันมีบ้านของมันมันเกิดในในหอยสังเวลาออกหอยสังมันรู้สึกเป็นทุกข์มากเลยเม่ก่มีเรื่องอะไรไม่สบายใจมันหลบก็ไปอยู่ในใจที่สบาย บ้านน้อยหอยสังไอ้ตัวเนี้ยถลกเข้าใจสบายเลยไม่มีโอกาสคนทุกข์อ่ะไม่คนมีอำนาจจิตก็คอยก็คอยตีให้แตกเอาจิตว่างไปล้างคุยง่ายเอาจิตว่างไปล้างให้บ้านน้อยหอยสังมันแตกให้สร้างไม่ได้มันก็ได้หลุดกรเดินออกมาเพราะหลุดก็ะเด็ออกมาแล้วเขาก็จะสอนปัญญาให้สอนให้เดินปัญญาให้ว่าอย่าเข้าไปอย่าหลงก็ดูเข้าไปในลมใดๆแล้วจะกลับไปเพ่งทิศกรินีคืออยไปจับเพ่งทิศกรสินีเห็นแต่มันเกิดดับไปเที่ยงทุกอย่าง แต่ย้อนก็หาผู้รู้พอย้อนก็หาผู้รู ack, ้ปุ what, so minute, so so picture, so so so ๊บมันจะไม่มีตัวผู้รู้ไปเพ่งมันจะเข้าถูงดูดไม่ได้เพราะว่าเวลารู้อะไรมันย้อนก็หาผู้รู้มันเลยไม่มีตัวเราเนี่ยเป็นตัวตั้งรู้ไว้เพราะว่าตัวเราเนี่ยเป็นตัวย้อนก็หาถถูกย้อนก็หาดูตัวเราตลอดมันเลยไม่มีตัวเราเนี่ยตั้งไปดูตัวทัศน์มันก็เลยไม่มีตัวเราถูกดูดเพราะว่าเราเราไน่ย้อนกลับมาดูตัวเราเราไม่เอาตัวเราไปดูอะไรเราจะถูกดูดได้แต่เมื่อเอาตัวเราไปดูอะไรเราจะถูกดูดเข้าไปได้ แต่ถ้าตัวเราเนี่ยเราย้อนดูตัวผู้ ด, ดูซะแล้วมันหมดโอกาสที่เราจะถูกดูดมันก็เลยเป็นวิปัสนาญาณไปที่ลูกสอนนี่มันเป็นวิปัสนาขา้สูงที่พูดกับไปเจอตึกนี่ยพอทั่วไปไม่เคยมามองผนูมองข้างอกแต่เดี๋ยวจะถูกดูดตลอดแล้วต่อไปเวลาแบบนี้เวลาไปเห็นรูปมันก็จะถูกรูปดูดไปเห็นตีเสียงถูกเลยไปเจอสาวสวยไปเจอหนุม่มหล่อมันก็จะถูกดูดเข้าไปเลยเพราะอะไรมันเอาตัวเราไปดูมันก็เลยทุกอย่างดูดได้หมด เดี๋ยวคนสวยคนหลอมว่าโดนมันเอาตัวเราไปดูมันก็ต้องโดนตัวเราดูดโดนตัวเราเนี่ยสูกก็ดูดไปไปมีกิเลสดูดกิเลสก็ได้ดูดเข้าไปได้พอเอาไปดูไอ้พวกแม้แต่ดูความคิดเกิดดับเมื่อไปดูดก็ไปเป็นอารมณ์ชาติได้เพราะมันเอาตัวเราไป็นคนไปดูแต่ถ้ามันย้อนดูตัวเราเนี่ยอ่าก็ไม่ได้มีตัวเราเข้าไปดูโทรทัศน์เราดูโทรทัศน์เลยดูดูเรื่องในโทรทัศน์ดูดก็ไปได้แต่เรามาดูตัวคนดูจะแล้วโทรทัศน์มันก็ไปดูยังไงมันก็ไม่สนุก เพราะว่าเราตัวเราไปเพ่งในโทรทัศน์อ้สนุกมาในลยสนุกมากดนดูดไปทั้งหมดเห็นรูปไปโดนรูปดูดเห็นเสียงก็ดีนเสียก็เสียงดูดมีกิเลสกิเลสก็ดูดไม่แม่มันหมดเลยมันทุกเลือกเรื่องอะไรก็มันทุกเลือกเห็นรูปสวยรูปหล่อก็โดนดูดหมเห็นเสียงเพราะเสียงหวานก็โดนดูดมีอารมณ์สบายใจไม่สบายใจก็ดูดไป่หมดเลยอะไรมันมันในโทรทัศน์เหมือนกับเอาตัวเราไปดูโทรทัศแต่พอมาดูตัวเราเสร็จแล้วมันเลยหมดมัน มันเหไอ้ตัวเราพ า, าดมไม่อยูุ่ดพอท่านจะไปดู ต, ต, ดตัวทัศน์แเห็งตัวเราพาดไม่อยูดท่านจะไปดูตัวทัศแต่เห็นตัวเราพาดไม่หยุดเลยตอนนี้มันก็เลยหมดมันแต่มันหมดมันเป็นความทุกข์แต่มันไม่มันเอข้าใจแไหมตาอย่างเงี้ยเ <c oughs> ข้าใจเ <c oughs> บางครั้งผมรู้สึกว่ามันเหมือนมีตัวตัวเห็นตัวรู้อยู่นะ แต่มือนเป็นรู้พวกเหมือนมันเห็นตัวรู้อ่ะหรือมีตัวหนึ่งอ่ะตัวรู้อ่ะมันมีตัวซ้อนตัวรู้อยู่แต่ว่ามันไมบ่อยนักนานๆมันเหนเขตัวเห็นตัวรู้เป็นตัวเห็นเหมือนเหมือนมันแอบอยู่เออผมแปลว่าเอ้ามันมีตัวที่สองที่สามอยู่นั่อืมเพราะว่าสิ่งที่ถูกรู้หนึ่งเนี่ยตัวรู้หนึ่งถูกต้องแล้วก็ มันไมีมันมีอีกตัวหนึ่งตัวมาเคาเห็นตัวนี้ถูกต้องแต่ว่ามันล่อๆล่อๆอยู่เห็นมันให้หมดทุกตัวเลยเทลุตาพูดนะถูกต้องแะเนี่ยอย่างเงี้ยเทลตาพูดว่ามีตัวตัวนี้แล้วมีตัวผู้รู้ตัวที่หนึ่งแล้วยังรู้อีกว่ามีตัวผู้รู้ตัวที่สองอยู่ล่อๆล่อๆมีผู้รู้ตัวที่สามีผู้รู้ตัวที่สี่นี่เนี่ยถูกต้องแล้วล่ะให้เห็นอย่างเงี้ยที่บอกว่าต้องการให้เห็นผู้รู้คือให้เห็นผู้รู้ทุกตัวไอ้ผู้รู้เนี่ยมันเห็นมันว่ามันไม่มีจบสิ้น จนกว่าเราจะตายไม่มีดับที่ตุกตาพูดตัวที่หนึ่งตัวที่สตัวที่สตัวที่สีมีเป็นตลอดชีวิตของเราและผู้รู้ทุกตัวพูดได้หมดเลยอผู้รู้ทุกตัวพูดได้หมดแต่ไม่มีใครเป็นเสวยผู้รู้ที่พูดได้ทุกตัวไม่มีใครไป็นเสวยผู้รู้ที่พูดได้ทุกตัวไม่มีใครไปยึดถือผู้ที่รู้ได้ทุกตัวไม่มีใครไปแทรกแต่งผู้ที่ผู้รู้ที่พูดได้ทุกตัว เห็นส ก, ก่อนแล้วไม่มีผู้ไปเจ๋อเยไม่มีผู้ไปลองรับไม่มีผู้ไปแจ็คแจ ง, น, แ ง, ง, น, แงาานี่เนี่ที่ต้องการให้โลงตาเห็นนะที่พูดวันแต่เมื่อคืนเข้าใจลครับจริงๆมันก็ตัวเดีย ว, จ, วจริงจริงๆลวตาไม่ไม่ใช่ย้อนกลับไปดูไว้ตัวแรก แล้วทีุ่ดลทุกตัวก็คือตัวต้นตอก็เหลือใจว่าทุกอย่างมันเกิดอยู่ในใจดัไม่ใจผู้สุายไอ้รู้ทุกตัวคือตัวเราดแหละเป็นคนรู้ที่สุดนตัวเดียวเนคือูุ้้ไอ้รู้ทุกตัวคือตัวเราเพราะว่าไม่ว่ารู้กี่ชั้นกี่ชั้นใครก็รู้ก็ตัวเราเนี่ยเป็นคนรู้ผูุ้ท้ายเนี่ยถ้ารู้ทีุ่ท้ายมาจบลงที่รู้ที่ตัวเราก็จบเลยและตัวเราเนีพูดไปอยู่แค่นี้แหละการที่สรลุกแค่นี้แหละแต่ตัวเราเนี่ย พอไปรู้เสร็จแล้วมันก็ไปรู้อันนี้แล้วตัวเราก็บ่นเช่นว่าเราไปเห็นรูปใช่ไหมแล้วเราก็คิดอะไรกับรูปพ่าเราไปเห็นเราคิดเออทีแรกเราเห็นรูปก่อนแล้วเราก็คิดอะไรกับรูปแต่เราเร็วนี่ไอผู้รู้ตัวที่สองเไม่เห็นว่าเราคิดดี่ท่านพูดอย่างเงี้นะผมจะพูดเป็นตัวตสมมติจะพูดเป็นตัวตนะไอตัวแรกคือเราไอตัวแรกตัวผู้รู้ตัวที่หนึ่งมันไปรู้รูปพอไปรู้รูปปุ๊บแม่รูปสวยรูปหล่อมันก็เลยคิดอะไรกับรูปนั้น อะจะไปคิดสมมติว่าคิดในทางอภุสวรต่อรูปนั้นทีนนี้ความเร็วของไอ้ผู้รู้เนี่ยมันพราะเราดูผู้รู้อยู่ตลอดเนี่ยเราไม่ดูสิ่งที่ถูกรูก้ไอ้ผูร้รู้มันก็พอรู้เสร็จพวกมันก็คิดเราก็รู้เลยว่าไอ้ผู้รู้ไปรู้รูปมันเป็นคนคิดว่าคิดอภุศวรมันรู้รูปพวกมันคิดอภิสวเลยไอ้ผู้รู้ตัวที่สองมันมารู้ไอ้ทีค่คิดอภุศวรไอ้ผู้รู้ที่สองมึงคิดอภิสวร์ยังคิดได้ยังไงเนี่นย ไ, ไ, ออไอ้ผู้รู้ตัวที่สองก็พูดดิตัวนี้ไอ้ความเร็วของไอ้ผู้รู้ตัวท เอ็ก็ไม่ชอบใจมันใช่ไเนี่ยอ็ก็ผักใสเร็วจะเร็วว่าไอตัวตอนนี้มันก็ไอตัวที่สที่ห้ามันทมันยังพูดไม่หยุดนะมันก็จะพูดอยู่อย่างเงี้ย่แต่สรุปแล้วผู้รู้ทุกตัวก็คือเรานี่เหล่เรานี่เี่ยเป็นคนทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดไม่หยุดนะเนี้ยแต่ความนึ็วของรู้มันก็เลยมันก็เหมือนกับมีรู้หลายตัวแต่ควจริงไอตัวเราทั้งนั้นเลยเป็นคนพูดแล้เราเห็นตัวเราได้พูดไป่หยุดเราเลยเบื่ เนี่ยต้องการให้เห็นตัวเราแค่นั้นแน่เออไม่ใช่เอาตัวเราไปรู้เราความเร็วของผู้รู้เนี่ยมันเลยเป็นตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่เมื่อก่อนไม่เคยปฏิบัติโอ้ยอย่างนี้มันก็เราจะอยากจะถอยเราจะถอยไปตรงไหนจะไปจนไหนถอยไปจนถึงตัวเราแหละไอ้ผู้รู้ตัวที่หนึ่งมันก็ถอยก็มาหาเราที่สองที่สามที่สี่มันก็เป็นเราหมดเลยแล้วจะพยายามทะลุหลังเราไปเอ้มันจะทะลุยังไงก็งงเมื่อก่อนปฏิบัติก็งงงผคนท้านก็ยันไอกี่ตัวกี่ตัวก็พยายามที่ตัวเราเนี่ะ อ๋อเลยรู้ว่าไอ้ตัวเราเนี่ยทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดไม่เหมือนเนี่ยครับมีหนังมีหนังรู้เรื่องเขาเลยสร้างมาเนี่ยยังชอบใจตนหงเรื่องนี้ที่ที่แชร์ไปให้ดู เ, เข้าห้องกรรมฐานสามวันไม่พูดกันปิดวาจามีพระเข้าไปสี่ห้าลูกปิดห้องกรรมฐานไม่พูดกันปิดวาจาลมพัดอุอ๊อวาวาตต่างเปิดบึ้มเทียนดับผงแรกเลยตกใจ เฮ้เทียนดับแล้วไปดับไฟดับฐานัเงียบหมดกรมานอุสามาปิดประจาไม่พูดกันองค์แรกพกเจอนี้ไปดับไปดับไปดับองค์ที่สองไอ้ผู้รู้ผู้รู้คือองค์แรกผู้รู้พอไฟดับพูดเลยผู้รู้พูดไอ้ผู้รู้ไอ้ผู้รู้เยคนพูดคนคิดยังไงไอ้ผู้รู้พูดเลยไฟดับไฟดับมันต้องรู้ต้งคิดไฟดับไปดับ ไอ้ผู้รู้อันที่สองเร็วมากเลยนี่ห้องกรรมฐานห้ามพูดไปเใช่เหรอแล้วพูดทําไมเนี่ยไอ้ผู้รู้อันที่สามเร็วมากเลยคือองค์ที่สามนี่เป็นห้องกรรมฐานท่านไปว่าเขาทําไมเนี่ยที่อาจานว่าก็พูดท่านก็พูดไม่ใช่เหรอท่านมีกี่องค์พูดหมดเลยเข้าใจไหมเนี่ยเพราะมันอดไม่ได้หรอกผู้รู้มันพูดทุกอง พ, พูดตลอดเพรนั้นผู้รู้นั่นแหละคือตัวเรารู้อะไรอดไม่ได้เราที่จะไม่พูดให้เห็นตัวนี้แต่ยาวตัวเราเดี๋ยวไปรู้ถ้าตัวเราไปรู้เราก็จะไปพูดกวาดเขาแต่เราไม่เห็นตัวเราพูด <c oughs> เราจะไปว่าแต่ไออ อ, อตัวข้างหน้าแต่เราไม่เห็นไอตัวเราเป็นคนว่าอยู่ข้างหลัง จบือปล่อยวางไม่จะพูดยังไงว่าปล่อยวางปล่อยวางหมดจะพูดก็ปล่อยวางหมดไม่เอาอะไรสักอย่างไม่เป็นอะไรสักอย่างเนยวางหมดว่าก็วางไม่ว่าก็วางมันเริ่มพูดแล้วก็วางเริ่มพูดแล้วก็วางอน่่้วจปยทุกเรื่องเลยแล้ววาตัวมันด้วย ตอนนีมน้มณฑลปุ๋ยชอบตนนอนนโมขึ้นไปเทศบอกว่าเทศได้สั้นที่สุดเลยเทศหัวใจยังทําเลยหัวใจยังธรรมะสั้นที่สุดให้นิมนต์ท่านขึ้นเทศหลวงปุ๋ยชอคือเป็นทึ๊ดวางแล้วลงเล ย, เลยคําเดียววาง <ix> <stär ker> ก็บอกว่าไอเทศหัวใจไงใช้คําเดียววางคือมันมันว่างหมดเลยจะต้องวางว่างอะไคิดดูสิ รู้หมดทุกอย่างรู้หมดรู้หมดวางหมดรู้หมดวางหมดรู้หมดวางหมดแม้แต่วางจบก็ต้องหมดแหละไม่มีอะไรวางแล้วหลวงตาไม่มีอะไรวางแล้ววาจนหมดแล้ววางให้ผู้วางนะวางให้ผู้วางจะต้องวางวางให้ตัวผู้วางอีกที่ดูสิแล้วมันจะเหลืออะไรขนาดผมผางหมดแล้วอะลูกตาเนี่ย วาจนหมดไม่เหลืออะไรไม่วางเลยหลวงปู่บอกว่าผมวางจนหมดแลไม่เหลืออะไรไม่วางเลยดูที่หลวงตาดูที่มันมีอะไรไม่วางมั น, มนว่าจะเปลี่ยงเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างเดียวในใจผมครับให้ผู้วางเอาวางไปได้วยวางผู้วางไปซะด้วยไม่งั้ได้ป น, ในทุกข์มันจะมีหน้าที่วางอยู่มันมันเหนื่อยตายหลวงตามหาบัวยังชอบหลวงตามหาบัวพูดอยู่ตอนนึงที่ในเรื่องหนึ่งที่บอกว่านิพพานคือจิตว่างงาน